พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่29เมษายน2557มีชื่อเรื่องว่าแบ่งหน้าแบ่งหลังวันนี้เป็นวันที่29 เมษายนพุทธศักราช2557งานวันเกิดของหลวงพ่อวันที่27ก็บ่นหาฝนอยากจะให้ฝนตกก่อนและตกหลังถ้าตกก่อนก็ให้ตกพอความชุ่มเย็นแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ตกชะล้างฝุ่นละอองแต่วันนี้ฝนก็ตกชะล้างฝุ่นได้จริงๆ สะอาดสะอ้านแล้วผลตกแรงพอสมควรแต่ก็ไม่มีลมลมนิดหน่อยเป็นตามระดูการงานของเราก็สำเร็จรุ่วงไปด้วยดีหลวงพ่อเองในเจ้าเจ้าภาพพระเจ้าของเรื่องก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจหรือว่าปีติยินดีกับลูกหลาน ที่มาร่วมแสดงความร่วมรวมจิตรวมใจกันแต่ก็พระสงฆ์ก็มากนะคณะธรญาติโยมพระสงฆ์นังหมดพัดสองกว่ารูปแม่ชีเท่าไหร่สกว่าเราถวายปัใจจัยในวัดของเราถวายพระสงฆ์รวมทั้งชีด้วยข่าวนี้ใช้จ่ายไป800 0 0นนะคณะธรรญาติโยมลูกหลาน งานเมื่อสมโพธพระเราถวายพระไป 0,000 แ, แต่คราวนี้มีมากกว่าเราถวายไป8 0 0 0 0นนี่แหละจะตุปใจที่ได้มาต่างกลัมต่างวาระจากศรัทธาญาติโยมลูกหลานคนละมากละน้อยหลวงพ่อเองก็รวบรวมถ้ามีงานก็ถวายพระสงฆ์พอเสร็จงานแล้วก็เมื่อวาน ấy. หลวงพ่อก็เรียกสมพัน์ สมผานหลุบเราท่านเลืองกับท่านเจ้ยเข้ามาอีกพวกนี้นก็อยากจะได้สาลาหลวงพ่อก็เลยให้ท่านหน่อยเป็นผู้ดูแลดูซีมุงหลังคาแล้วที่บ้านหลุกที่หลุบเราฮะรู้สึกหมุบปับหมุบปับอันนั้นก็คงจะไม่มีเงินเทพื้นหรือที่ไหนหลวงพ่อก็เลยเอาหน่อยช่วยกันช่วยไปดูนะแล้วก็เอาชาบ้านไปช่วยช่วยกันเทอย่างน้อยก็ให้ ในปรรษาให้เทพื้นไปก่อนเพราะว่าพื้นมันหนักมันลดเข้าลำบากก่อนฝนจะมาเนี่ยควรจะอันไหนควรหนักควรจะทำทำไว้ก่อนตัวนวัดท่านเจ้ยอยู่น้องบัวลาพูนะ่ยังไม่ได้ขึ้นเสาแต่เทคานแล้วหลวงพ่อเออหน่อยไปพิจารณาดูนะเมื่อวานที่ไม่ได้มาร่วมสวดมนต์กับลูกหลาน หลวงพ่อก็ลืมไปเหมือนกันพระไม่ได้รายงานเมื่อวานเนี่เขียนแต่พระมีเท่านั้นเท่านี้ตามไม่จริงพระนีก็ซื้อบื้อสั้นเกินไปน่าจะวันนี้เป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่แลมข้ามเท่าไหรเ่เขียนให้หลวงพ่อหลวงพ่อจะได้ดูก่อนได้ประกาศให้ฟังทุกพี่ทุกวันอยู่นี่แหละชาวชาววันะชา ความของพระนะ่ะมันมันต่างกันมันตามไม่เจียมกันต้องบอกให้ถีถทวนเมื่อวานนห ล, ลวงพ่อลืมมาทางวันพระนะแต่วันนี้อย่าลืมนะวันอุโบสถนะพระทุกองนะหลวงพ่อจะไปธุระก่อนวันนี้จะไปดูวัดใหม่อําเภอเพนอาจจะค่าสักหน่อยแต่ก็คงจะไม่มีอะไรเพราะว่าถึงจะมาค่ําก็เราก็ไม่ได้ขึ้นสวดมนต์พอสวดมนต์เมื่อคือนนี่แล้วอุโบสถตกวันนี้ วันนี้เป็นวันอุโบสถเพราะนั้นขอบอกพระทุกองนะอย่าลืมวันอุโบสถบอกกันแล้วก็เมื่อวานนี่กันแหละหลวงพ่อไม่ได้ลงมาศาลาก่อนเนี่ยปรับรบเรื่องศาลาของสองวัดนี่แหละจะตกปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อก็ไม่ไดเอามาเก็บไว้เลยว่าเอามาสร้างที่วัดของเราแห่งเดียวนะคณาจารย์ญาติโยมลูกหลาน มองมองดูวัดไหนที่จำเป็นขัดข้องตลอดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยของพระสงฆ์หรือแต่ละวัดหรือว่าห่างไกลพอที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์ได้เราก็แบ่งปันไปช่วยเหลือไปนี่แหละอันนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเพราะการอยู่ด้วยกันทาให้มีการ เอือเฟืออืออารีต่อกันไม่มีการแบ่งปันกันโลกทั้งโลกก็จะหาความร่มเย็นผาสุขได้ยากเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้จัดสรรแบ่งสรรปันส่วนสงเคราะห์อนุเคราะห์วัดสาขาที่ยังไม่ได้มีศาลา แต่ตามให้จริงองค์เดียวอย่างที่ท่านเลื่องหรท่านอยู่องค์เดียวมาหลายปีแต่เราก็ขออนุญาตสร้างวัดจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีศาลาไม่มีทาวอวัตถุขึ้นมาเลยต่อไปภายภาคหน้าที่เราขอเป็นสร้างวัดขึ้นมาก่อนที่จะขอสร้างวัดได้ไม่ใช่ธรรมดาก่อนที่จะได้วัดนะแต่จบไปแล้วเนี่ยแล้วก็วัด ก็หายเข้าไปไม่เป็นวัดวาศาสนาล ก, ก น, น่าเสียดายปวหลวงพ่อว่าเออหน้าจะทำศาลาขึ้นมาสักหลังนึงศาลาชั้นเดียวชั้นปูนหลังคา เ, ออเป็นทาวรวัตถุให้แข็งแรงออต่อไปภายภาคหน้าเราก็ไม่ได้ใส่ว่าจะสร้างให้อาจารย์เรืองทีเดียวเมื่ออาจารย์เรืองตายไปแล้วกันนะองค์อื่นก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานานเท่านานนั่นแหละ การคิดมไม่ใช่คิดไกลๆคิดไกลคิดยาวๆไม่ใช่คิดแต่เพื่อตัวเองตัวเองจะมีอะไรอีกไม่นานก็จะหมดไปแล้วผ่านไปแล้วอันไหนจะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนายืดยาวต่อไปภายภาคหน้าเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับลูกหลานผู้มีอุปนิสัยดำงรงสงศาสนาเราก็มั่นใจว่าพุทธศาสนาเนี่ย เป็นศาสนาที่ให้ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าผู้ใดก็าตามยึดตามแนวแถวของทมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตกต่ำพูดอย่างนั้นได้เลย เ, เพราะเหไรเพราะว่าเราพิเคราะห์ดูสิในหลักธรรมคำสอนตรงไหนที่เป็นตรงที่ทำร้ายทำลาย มนุษย์ชาติทำร้ายทำลายโลกทำร้ายทำลายหมู่พวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมีแต่การสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเข้าไปตั้งกายกรรมเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนคือการสงเคราะห์อนุเคราะห์เข้าไปตั้งวิจีกรรมคือว่ากล่าวแนะนำสั่งสอนไปในทางที่ถูกต้อง เข้าไปตั้งมโนกรรมเคิดสร้างสรรในเพื่อนภิกษุสามเณรหรือศรัทธาญาติโยมในกลุ่มเดียวกันคิดสร้างสรรมีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีตะเคียไปในทางที่ดีมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาไม่ทําประกอบด้วยโทสะไม่ตอบไม่ไม่ใช่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะไม่ใช่นะคิด ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสา ม, มเณรศรัทธาญาติโยมทั้งต่อหน้าและรับหลังอีกต่างหากนะแล้วก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสา ม, มเณรไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะพผู้เดียวรักษาศีลบริสุทธิ์เหมือนกับภิกษุสา ม, มเณรอื่นอย่าให้เขาตำหนิตัวเองได้มีความเห็น อย่าไปเห็นแปลกแหวกแนวจากเพื่อนภิกษุสามเณรอื่นเราต้องหาเหตุผลว่ความเห็นของเราผิดหรือความเห็นของเราถูกเราต้องดูตรวจตราดูความคิดเห็นของเราอีกถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยไหมตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนมันถูกไหมถ้าเราผิดทาไมามันผิดวะความคิดของเรามันทำไมสุดโตงอย่างนี้วะ มันไม่ทำไมไม่ไปตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนละ่ะทำไมไม่ไปตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าละ่ะเสียงเหล่านี้พวกเราก็ต้องเออมันไปทางไหนเราก็ต้องเออยึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าเพราะว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าสวากขาตธรรมนัสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนะแต่ความคิดของเราในี่ใครเป็นคนรับประกันละ่ะ ความคิดของเราชอบแล้วอย่างงั้นเหรอใครเป็นคนลับนะ่ไปถามไม่บอกไปบอกให้ใครฟังเผยเผยไปพูดให้ใครไฟใครๆเบางครั้งนะความคิดเห็นตัวเองเขาคือยี <laughs> ้คิดได้ยังไงทำอย่างงั้นฮนเะนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องมองให้กว้างมองให้ไกลมองให้รอบครอบนี่แหละการเป็นอยู่หรือว่าการศึกษาของพวกเราถ้าคิด มองกว้างไกลอย่างนั้นแล้วนะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องเราดันทุลังไปบ้างไปหรือเปล่าเราเอาแต่ใจตัวเองบ้างมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราอ่อนจนปลวกเปียกจนเขาเยียวหัวเราได้หรือเปล่ามันมีหลายหลายเปล่าเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมพระเห น, นทุกองที่เขามาศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า หลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนท่านหลักเหตุผล เ, เหตุผลให้มีเหตุมีผลมีเหตุอย่างนี้มันผลออกมาอย่างนี้ผลออกมาอย่างนี้เพราะมันมีเหตุอย่างนั้นมันมีเหตุก่อนจะค่อยมีผลผลนั้นสิ่งที่มันไม่ดีดีหรือไม่ดีเราต้องดูที่เหตุดับที่เหตุผลมันก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่แหละขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านเนอคณะทตไญาติโยม แล้วก็วันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยแหละพวกเราร่วมการทำช่วยกันทำช่วยกันจัดนะแล้วก็ถวายจตุปจัจจัยครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่มาร่วมงานกันอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบเป็นปัจจัยของวัดนะไม่ใช่หลวงพ่อไปรับย่างมานะมีคนถวายศรัทธาญาติโยมถวายมาเพื่อวัดว า, าศาสนาที่มันเหลือไปเออวัดเราควรจะทำบุญฮ ในเมื่อทําบุญมันไม่จนหรอกลูกลานเลยคนทําบุญมันไม่จนอย่างหลวงตามหาบัวท่านพูดถ้าหากว่าทําบุญถูกตามหลักทําบุญถูกตามหลักทําคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าจิบหายเนี่ยมาบอกเราเราจะหาแทนคืนให้หลวงตาท่านพูดถึงขนาดนั้นละ่ะท่านเชื่อมั่นในในหลักทคำคาสอนอแต่ว่าทานน่ย ทานะคือทานทานให้มีเหตุมีผลสมควรทานยังไงทำบุญยังไงให้เกิดเหตุผลยังไงแหมไม่ใช่ว่าเราทำทำแบบอะไรทิ้งคว่างทิ้งทิ้งคว่างๆไม่มีเหตุไม่มีผลผลในสุดมันก็มันจมลายหายไปมันก็มีผลในสุดก็มาทวงอีกต่างหากนั่นนี่อันนี้คล้ายๆกับว่าเราทำบุญเราต้องคิด เออเป็นบุญเป็นกุศลหรือเปล่าอย่างที่หลวงพ่อไปพูดเออเนี่ยพวกเราทำบุญกับองค์หลวงตานะ่ะมูลนิธินะดูแลพระสงฆ์อาพาธนะเรื่องนั้นเรื่องนี้น่นนะถ้าหลวงพ่อพูดหลวงพ่อคิดดีแล้วนะจึงบอกกล่าวสัทธา ญ, ญา จ, จมให้รับรู้รับทราบแต่ตามที่จริงเราก็ไม่น่ไม่ต้องหนักใจอีกต่างหากถึงใจ มีศรัทธาขนาดไอ้มีถึงจะเป็นบุญขนาดไหนก็เถอะแต่กระเป๋าของเราในช่วงนั้นมันไม่พร้อมเนี่เราก็ต้องหยุดไว้ก่อนเพลาวไว้ก่อนคราวนี้แต่ครั้งต่อไปเออเอาถ้ามันมีเป็นไปได้เราก็ทําแบบศรัทาใจทําให้แบบเต็มใจทําเป็นบุญเป็นกุศลนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อทําอย่างนั้นนะข้าราศรัทธาญาิโยมลูกหลานนะอแต่เหมือนที่หลวงพ่อเปรียบเทียบ เราเห็นว่ามีประโยชน์มีคุณค่าแต่เราแบกไม่ได้มันหนักเกินไปเราก็ต้องถอยสะก้อนแต่เออเขานี้แบกได้ไม่มีปัญหาเราก็ช่วยกันแบกไปพอทำเสร็จแล้วก็ภาคภูมิใจในการกระทำนั้นๆแต่ถึงยังไงก็ให้สำนึกไว้ในใจิตในใจเสมออย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราเนี่ย จะยืนนานไปสักเท่าไหร่ที่หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกหลวงพ่ออายุขึ้นเลขเจ็ด น, นะนลูกหลานนะวันนี้นะเลขเจ็ดขึ้นมาสองวันล่ะเลขเจ็ดนำหน้ารูที่คนขึ้นเลขเจ็ดแล้วจะเป็นยังไงต่อไปสุกงอมไปเรื่อยๆถ้าถึงเลขแปดแล้วก็เห็นได้ชัดลเลยแต่ ย, ยิ่งขึ้นมาเป็นเลขเก้าแล้วก็นั่นแหละงกงกงหักเลยแต่เนี่ยทั้งปภาษาทั้ง สมองทั้งอะไรมันเสื่อมถอยไปทั้งหมดจังหวาสังขารอานิจจานะสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะสังขารทุกขานะสังขารเป็นทุกขนะ์แต่สังขารมันก็ไม่เป็นทุกข์ต่อใจของเราเป็นทุกข์กับสังขารพอใจของเรามายึดสังขารมายึดกายมายึดในตัวของเรานะตัวผู้รูนะ้มายึดในตัวของเรานะ กายมันก็ไปตามสภาพของกายเนะี่ยเหมือนกับเรามีร่างกายเหมือนศาลาหลังนี้แนหะใจเหมือนกับพวกเราเมาอยู่ศาลาศาลามันไมเดือดไม่ร้อนผลตกลังคารั่วลมกระแทก เ, เสียหายตรงไหนศาลา ก, ก็เฉยแต่เราเป็นเจ้าของศาลาดเิเป็นทุกข์เป็นร้อนจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงจะจัดการยังไง คิดแล้วคิดอีกปรุงแล้วปรุงอีกทำไม่รู้จักปล่อยจากวางกระทุกอีกต่างหากเลยนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะร่างกายเหมือนกับศาลาใจของเราเหมือนกับเราเจ้าของศาลามาพึ่งพาอาศัยร่างกายนี่บางทีมันก็แก่ไปเรื่อยๆเพราะศาลาใช้มาหลายปีมันก็แก่เลยสิร่างกายของเราก็เหมือนกันใช้มาหลายปีมันก็แก่พอแก่แล้วเราจะเป็นทุกข์กับ ศาลาเหรอเพอมันใช้มาหลายปีมันกระสุกผุพังก็ซ่อมส่งไปซ่อมมาไม้ก็หมดสภาพทนี่ผลให้จูกรนั้นอหรือทิ้งหรือทิ้ ง, งนี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งก็ต้องหรือทิ้งเหมือนกันจะอยู่ได้โชคฟ้าดินสลายได้ยังไงเนี่ยสิ่งเหล่านี้การกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นกับ เป็นให้พวกเราเป็นแนวความคิดสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทอันไหนเป็นบุญเป็นกุศลให้เก็บหอมรอมริบเข้าสู่จิตใจเพราะชีวิตของเราไม่ยืนนานพูดง่ายๆไม่ถึงร้อยปีอย่า ง, งที่หลวงพ่อได้พูด70ปีเป็นยังไง80สิปีเป็นยังไง90ปีเป็นยังไงอถึงร้อปีเลยเป็นยังไงเขาก็เชิดชูเลยโอ้อายุร้อยปีนี่ที่ไหนได้ ปากก็บิดไปทต่หนึ่งตา ก, ก็ะเละไปทต่หนึ่งหนังก็เหี่ยวไปทต่หนึ่งฟันก็หลุดดูดูดแลไม่พึงปราถนาทางนั้นล่ะแต่จะทํำยังไงได้ อ, อทํำยังไงได้เนี่ยพอมันยังไม่ตายอย่างคุณแม่ว่านโอ้เบื่อจริงๆนะภาราฮาเวปันจักขันธาขันทั้งห้านี่เป็นภาระหนักจริงๆร่างกายสังขารเป็นภาระจริงจริงช่วยตนเองก็ไม่ได้แต่จะทํำยังไงได้มันไม่ตาย ทําไม่ไปกินถ้าไม่กินมันก็หิวมันก็เหนื่อยก็ต้องได้ทานต้องได้ดื่มน้ำํำพอประทังชีวิตไปจนถึงวันจุดจบของมันนี่แหละผู้มีธรรมในใจท่านก็ไม่ได้ทุกข์กับมันนะแต่ว่าถ้าชาวันลาคาญกับลักษณะนั้นจะมากกว่าจะไม่รู้จะทํำยังไงเพราะมันไม่ตายถ้าไม่กินก็ไม่ได้มันหิวหพาลาฮาวเวปันจักขันธา ขันทั้งห้าเป็นพระอันหนักนะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราเนะี่ยก็ไปตามแนวแถวนะะั่นแหะที่ท่านพูดไวนะ้นะั่นแหะเ อ, อ้มันไม่ไปทางอื่นหรอกไปในช่องเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายยังมีกําลังวังชากําลังสติปัญญาของเรายังเข้มแข็งอยู่ให้ประกอบพุนงามความดีสั่งสมบุญกุศลนะลูกหลานคณะัต่าญาติโยมทุกคนนะพระเนนทุกองเนะเอาต่อเ น, นี้ไปรับพรเถิ ฝนกำลังจะมาอีกแล้วนะ